จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเริ่มสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านพุทธศาสนิกชนคือบุคคลที่มีความศรัทธามีความเคารพเริ่มสายในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกัน คือหนึ่งพุทธมามะ ก, กะสองอุบาสกสอุบาสิกาสภิกษุณีห้าภิกษุสง์หสามเณรเจดแม่ชีนี่เป็นบุคคลต่างๆที่มีความเคาเรพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยทุกๆคนในกลุ่มเหล่านี้ รวดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งส่วนความต่างกันของบุคคลเหล่านี้นั้น mm hmm. ก็อยู่ที่การปฏิบัติศีลธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้พวกพุทธมาม ก, กะนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติรื้ถือศีลห้าเป็นเป็นประจำ เป็นหน้าที่ที่ที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคือจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็และละเว้นจากการเสพชวายาเมาถ้าถ้ารักษาสินห้าได้ตลอดแล้วถือพระพุทธพระธรรมผส์เป็นสาระเป็นที่พึ่งก็เป็น ถือเด้เรียกตนเองได้ว่าเป็นพุทธมานกะการที่เราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นเราก็ต้อง ถ, อถือตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เชื่อที่หลักกรรมคือให้เชื่อในการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจว่าเป็นเหตุ ท, ที่จะนามา ผลที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติทางกายวาจาใจของเรานั้นเป็นไปได้สองทิศทางใหญ่ๆคือสุขเจริญเลือทุกเลิศเสื่อมความเสือ่อมอันนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเราทางกายทางวาจาใจของเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่ากระทาดี ผลก็คือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเรากระทำความชั่วทำบาปทำกรรมผลคือความทุกข์ความหายนะก็จะตามมาดังในคำกล่าวที่เราได้ยินเสมอว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วนี่คือปหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พุทธมามะกะหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นเชื่อและปฏิบัติตาม อย่างอื่นจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่สำคัญเท่ากับหลักกรรมอันนี้หลักกรรมอันนี้สำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งสิ้นอย่างอื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมคือเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องลบหลู่ก็ได้แต่ความเชื่อนั้นต้องไม่ขัดกับหลักหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องการทาดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อถ้าเราปรารถนาอย่างอื่น แล้วเราคิดว่าเราทำแล้วเราจะได้ไดดได้ดีเช่นเราเชื่อในเลิอกอยาบแล้วเวลาแล้วเราก็ไปดูหมอให้เขาดูเลิกดูยาให้เราว่าเราจะไปขโมยข้าวของของบ้านของคนคนนี้เวลาไหนถึงจะดีถึงแม้ว่าเลิกยาบนั้นจะดีแต่การกระทานั้นไม่ดีถ้าทำไปผลก็ไม่ดีคืออาจจะสำเร็จผล คือเราไปขโมยข้าวของเขาได้มาแต่ผลนั้นทางพุทธศาสนาถือว่าจะเป็นผลเสียตามมาจะนํามาซึ่งความทุกข์และความหายณนะไม่ใช่จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญเพราะว่าถึงแม้ว่าเลิกเลิกยางจะดีแต่การกระทํานั้นไม่ดีก็มก็ต้องถือหลักของการกระทําเป็นหลักถ้าเลิกยางดีแต่การกระทําไม่ดี ก็ต้องไม่กระทำในสิ่งนั้นๆแต่การกระทำดีแต่เลิกยาไม่ดีถ้าทำไปผลก็ยังดีอยู่เพราะผลอยู่ที่การอยู่ที่การกระทำการกระทำความดีนั้นไม่ขึ้นกับการกับเวลาทำเวลาไหนก็ดีตอนนั้นเสมอเพียงแต่ว่าในบางกรณีเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้อ ง, งคำนึงถึงยางถึงเวลาเหมือนกันเพื่อที่จะได้สำลุ หรือบรรลุผลที่ประเสริฐดีขึ้นกว่าเก่าดีกว่าเดิมนั่นก็คืออย่างเวลาเราจะมาทำบุญถวายอาหารให้กับพระวันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะเวลาไหนเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพระวันนี้นั้นท่านฉันฉันชาวฉันถือทุโดงคขวัตคือฉันมือเดียวถ้ามาหลังจากตอนตอนนี้ไปแล้วหลังจากที่พระท่านฉันไปแล้ว จะนําอาหารขาวหวานมาถวายพระท่านก็จะรับประเคนฉันให้ไม่ได้นอกจากว่าถ้าเป็นของไม่เสียของที่เก็บไว้ไในวันรุ่งขึ้นก็สามารถฝากไว้กับลูกศิษย์เพื่อลูกศิษย์จะได้จัดนํามาถวายในวันรุ่งขึ้นต่อไปนี่ก็คือการดูเลิกดูเลิกดยามก็มีความจําเป็นเหมือนกันแต่เลิกยามนั้นไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาด ดยที่ชี้ขาดถึงผลอันดีที่ประเสริฐหรือผลที่เลวที่ไม่น่าปรานานั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือหลักสาคัญที่สุดของพุทธศาสนนิกชนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกรรมเป็นหลักใหญ่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดดังนั้นเวลาที่เราจะกระทำอะไรเราจะต้องคำนึงเสมอว่าสิ่งที่เราจะกระทานั้น ทำไปแล้วเกิดผลดีหรือไม่หรือเป็นผลผลร้ายต่าง ม, มาวิธีที่จะดูก็คือการทำดีนั้นท่านหมายถึงการกระทำทางกายวาจาใจที่เมื่อทำไปแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับตนก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนและกับผู้อื่นก็ดีนี่ถือว่าเป็นการกระทำความดีทำไปแล้วจะมีผลดีตามมาส่วนการกระทาความเชื่อ ก็หมายถึงการกระทําทางกายวาจาใจที่เมื่อทําไปแล้วไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษตามมากับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราก็ดีการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ชั่วไม่น่าไม่น่าพึงกระทําเช่นอะไรเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประพฤติการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดมดเท็จ การเสพยาเสพยาเมาการเล่นการพนันการการเที่ยวยามค่ำคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรและการและความเกลียดคราญสิ่งเหล่านี้นะเมื่อกระทำไปแล้วจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียให้กับผู้ผู้ที่กระทำนั้ น, น, นและต้องและกะ็กระทบไปถึงผู้อื่นด้วยนี่คือการกระทำความชั่วหรือการกระทำบาป ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เรากระทําถึงแม้ว่าจะเป็นเลิกยามีมเลิกเลิกดียามดีขนาดไหนก็ไม่พึงกระทําสิ่งเหล่านี้ <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของพุทธมามะกะชาวพุทธเราถ้าเป็นชาวพุทธแท้แล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้บุคคลที่สองในลําดับต่อไปในพุทธศาสนิกชน ก็คืออุบาสกและอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานี้ปฏิบัติศีลธรรมเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วยังรักษาศีลเพิ่มเติมอีกสาข้อที่เรียกว่ารวมกันแล้วก็เป็นศีล8โดยศีลที่ข้อที่สก็เปลี่ยนจากการเมสุมิชฌาจาราคือการละเว้นจากการประพฤติผิดในการ มาเป็นอบรมมาฮมจราียาคือการละเว้นจากการเสพการเลยคออือถือถือถือถือหลักพรหมจรรย์คือไม่ร่วมเสพสุกกับกับบุคคลใดหนึ่งบุคคลใดส่วนข้อที่6ก็คือการละเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิการคือหมายถึงตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วข้อข้อที่7 ละเว้นจากการหาความสุขความสำเริงความบันเทิงจากการร้องลำทำเพลงดูหนังรูมดูละครและละเว้นจากการใช้เครื่องตกแต่งเช่นเครื่องสำอางต่างๆหรือน้ำหอมไว้ทาตัวและข้อที่7ข้อที่8ก็คือละเว้นจากการนอนที่ที่นอนอันใหญ่โต คือนอนบนเตียงบนฟูกที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วนิ่มนอนแล้วหลับสบายแต่ให้นอนกับพื้นไม้ปูเสือ่ออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาเพราะท่านเหล่านี้นั้นปรารถนาความสุขความเจริญที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเพราะเล็งเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การกินอยู่นอนอย่างสุขสบาย การเสพกามนี้ไม่ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงาการเสพกามไี่ถือว่าเปรียเหมือนกับยาเสพติดเมื่อเสพกามแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆต้องหามาเรื่อยๆหามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอบางคนมีภรรยาคนหนึ่งก็ไม่พอต้องหามาอีกสองอีกสามอีกสี่เช่นเดียวกับบางคนมีสามีคนเดียวก็ไม่พอต้องหามาเพิ่มอีกสอีกสอีกเป็นต้น นี่คือลักษณะของการแสวงหาความสุขจากการเสกกรรมซึ่งเมื่อเสกไปแล้วก็จะติดถ้าไม่ได้เสกสิ่งเหล่านี้ก็จะมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจแต่คนที่ฉลาดคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นโทษของการเสกกรรมแล้วก็หันมาถือถือการรักษาพรหมจรรย์คือถือศีลแปดนี้หาความสุขจากการ ทำจิตใจให้สงบด้วยการเข้าวัดไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเป็นการวิธีหาความสุขภายในใจเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภยัยเป็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเราเป็นความสุขที่เราไม่จาไม่ต้องไปหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกของตัวเรามาบารุงบาเรอนี่ก็คือลักษณะของ ของพุทธศาสนิกชนที่เรียกว่าอุบาสกและอุบาสิกาต่อมาก็มีผู้ที่มีความสนใจเรื่มมีความปรารถนาะที่อยากจะปฏิบัติธทมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนั้นจึงปรารถนาะที่จะไม่เกิดก็ออกบวชกัน พวกนี้ก็จะเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุเป็นสัมมาเนยหรือเป็นแม่ชีในสมัยปัจจุบันนี้ภิกษุณีนี้ได้สูญพันธ์ไปแล้วคือขาดการติดคือการขาดการสืบทอดมาต้องหลายล้อยตีมาแล้วภิกษุณีในประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่จะพูดสุภาพสตรีที่ปรารถนาะที่อยากจะบวชก็เลยต้องบวชเป็นแม่ชีแม่ชีนี้ก็เป็นเหมือนกับอุบาสิกา คือถือศีลแปเหมือนกับอุบาสิกาต่างกันตรงที่ว่าโปรงศรีรษะโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ออกจากบ้านจะไม่อยู่ในบ้านจะมาอยู่ที่วัดแล้วอยู่ตามสำนักของแม่ชีต่างๆและนอกจากการถือศีลแปดแล้วยังปฏิบัติตามอนุโลมตามศีลของพระคือเช่นหลังจากตอน กลางวันไปแล้วถ้าจะรับประทานอะไรก็ต้องรับประทานสิ่งที่พระท่านฉันได้เช mm. ่นจะไม่ฉันเช่นจะไม่รับทานพวกนมอาหารเสริมทั้งหลายเพราะพระท่านไม่ฉันกัน mm. จะฉันแต่ในสิ่งที่พระท่านฉันกันและจะไม่จะไม่อยู่สองต่อสองตามลำพังในที่รับหูรับตากับผู้ชาย mm. จะไม่รับของจากมือของผู้ชาย ถ้าจะรับของก็ให้ผู้ชายเขาเอาไว้บนผ้าเหมือนกับพระเวลารับของจากญาติโยมที่เป็นสีกาก็จะให้วางไว้บนผ้าแทนที่จะรับกับมืออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติของแม่ชีของสุภาพสตรีที่ปรารถนาที่อยากจะออกบวชและปฏิบัติธรรมส่วนพระ ส่วนผู้ชายถ้าออกบวชก็มีอยู่สองลักษณะถ้ายังอายุไม่ครบ20สก็บวชเป็นสัมมาเนนก่อนสัมมาเนณนี้ถือศีลสิบแล้วก็ปฏิบัติตามข้อวัดต่างๆที่พระท่านปฏิบัติอยู่เหมือนกับที่แม่ชีปฏิบตัติส่วนพระนั้นคือภิกษุมาบวชนั้นจะถือศีลสองีข้อ นี่ก็คือลักษณะของพุทธศาสนกชนที่มีอยู่ในพุทธศาที่อยู่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นแล้วพุทธศาสนกชนนี้เรายังสามารถแยกแยะได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือปุตุชนและอริยบุคคลปุติชนก็หมายถึงผู้ที่ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรม ส่วนพระอริยบุคคลนี้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่พระสูดาบันพระสกิดารามีพระอนาคามีและพระอาราหันต์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ได้ชาระกิเลสไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติของท่านในเบื้องต้นถ้าชําระได้สาม ที่เรียกว่ากิเลสที่เรียกว่าสั ง, สงโยชน์สามตัวแรกคือสักยะทิฏฐนะิวิจิติฉาความสงสัยศีลพัตประมาตความลูกคำในศีลทั้งสามนี้พระโสดาบันจะเป็นผู้ที่ละได้อะไรคือสักยะทิฏฐิสักยะทิฏฐิก็คือการเห็นว่าร่างกาย ของเราชีวิตของเรานั้นเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุสีดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็ต้องสลายดับไปไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายของเราอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสักยทิฏฐิส่วนวิจิกริชาก็คือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันจะเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในพระพุทธพระ ธ, ธรรมพระสงฆ์เพราะเหตุใด พราท่านได้ปฏิบัติธรรมจนจิตของท่านได้อย่างลงสู่กระแสธรรมได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เห็นผลในการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นแล้วคือท่านเห็นหลักกรรมนั่นเองท่านเห็นว่าผู้ที่ผู้ที่กระทำบาปทั้งหลายจะต้องรับความทุกข์และก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้ที่กระทาบาป เวลาก่อนที่เราจะไปพูดบดมดเท็ดก็ดีหรือไปลักขโมยก็ดีในเบื้องต้นใจของเราต้องคิดเสียก่อนเมื่อใจเราคิดแล้วว่าวันนี้จะมาจะไปขโมยของเราก็ไปขโมยก็ไปขโมยของเมื่อขโมยของเสร็จแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอะไรเพราะกลัวจะต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้ า, ขาตารางนั่นเองนี่แหละคือความทุกข์ที่พระสุท สิ่งที่พระพระโสดาบันจะเห็นคือธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตคือความสุขและความทุกข์ถ้าไม่รักขโมยใจก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเป็นรักขโมยใจก็มีความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโสดาบันก็จะไม่ไม่กระทำบาปคือจะรักษาศีลห้าไว้ตลอดชีวิตจะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตเพราะเห็นว่าการทำผิดศีลนี้เป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจ ทำไปแล้วไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาท่านจึงไม่มีท่านจึงละศีลละพัตตปรมามาได้คําว่าศีลละพัตตปรมามาก็คือการลูปคำในศีลนั่นเองคือยังไม่มั่นใจว่ารักษาศีลไปทําไมรักษาศีลแล้วโง่งหรือเปล่าคนอื่นเขาไม่รักษาศีลกันเขาล่ําเขารวยเขาสนุกสนานเฮฮาเขาอยากจะกินเหล้าก็กินได้เขาอยากจะไปผิดสามีภรรยาของผู้อื่นเขาก็ทําได้ เขาทำไปแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสนุกเขามีความสุขกันแต่เรานี่เร า, าโง่หรือเปล่าที่มาหลงถือศีลห้านี่ก็คือลักษณะของผู้ที่มีศีลพัฒต์ธรมมะอยู่ในใจแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พุเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจนกระทั่งจิตลงสู่ยังลงสูพ่พระธรรมเห็นอย่างแจงอย่างแจ่มชัดว่าการทำผิดศีลนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ได้เป็นความสุขเลย และก็ไม่มีอะไรที่จะทรมานยิ่งกว่าความทุกข์ใจนี่แหละคือสิ่งที่พระโสดาบันพระอริยบุคคลเบื้องต้นจะบรรลุเห็นเมื่อบรรลุเห็นแล้วท่านก็จะท่านก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมผสง์ท่านจะไม่กลัวความตายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านเพราะท่านเห็นว่าร่างกายของท่านนี้ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นตัวของท่านเป็น สิ่งที่เกิดมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารก็ไม่ได้มาจากที่ไหนก็มาจากดินน้ำลมไฟเราปลูกข้าวเราปลูกที่ไหนแล้วก็ปลูกในดินไม่ใช่เหรอมันก็ต้องมาจากดินจากนา้ำจากลมจากไฟแล้วเมื่อกินเข้าไปในร่างกายของเรามันก็กลายเป็นอาการ32แล้วเมื่อมันแก่มันตายไปมันก็แตกสลายกลับคืนสู่ธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่คือสิ่งที่พระโสดาบันจะเห็นได้อย่างชัดแจ้ง จากการปฏิบัติธรรมของท่านเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็ไม่มีความหวั่นไหวกับการเป็นการตายหรือว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรมธรมดาธรรมดามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> นี่ก็คือลักษณะของพระโสดาบันซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นขั้นที่สองก็คือพระโสดาบันที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป เพื่อที่จะบรรลุเป็นทมขั้นที่สองเรียกว่าสกิาคามีสิ่งที่ท่านจะต้องละก็คือปฏิฆะกับกามราคะปฏิฆะก็คือความหมดหิจใจกามราคะก็คือความยินดีในกามนั่นเองคือยังยินดีในผู้หญิงในผู้ชายอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ยินดีในผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็ยินดีในผู้หญิงถ้าเป็นกระเทยก็ยินดีในเพศเดียวกัน อย่างนี้เราเรียกว่ายังมีการมาราคะอยู่เพราะยังเห็นรูปร่างหน้าตาของคนว่ายังสวยงามอยู่เพราะเห็นแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นเองเห็นแต่เพียงภายนอกยังไม่เห็นภายในที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเพราะร่างกายของคนเรานั้นมีอาการถึงสาสิบสองที่เราเห็นเห็นกัรนั้นละเพียงเห็นเพียงอาการห้าอาการภายนอกคือเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟัน เห็นหนังเท่านั้นเองแต่เรายังไม่เห็นอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆตับไตปอดหัวใจลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เยื่อในสมองและอาหารที่ซ่อนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่อยู่ในลำไส้ที่ในตอนเช้าจะต้องออกมานี่แหละคือสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ผิวหนังของพวกเรา พวกเราถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังทำมาก่อนก็จะไม่รู้ว่ายังมีสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ผิวหนังนั่นอยู่ถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะดูอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีในร่างกายนี้นอกจากนั้นแล้วร่างกายนี้เมื่อเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่ก็ต้องเริ่มมีการแก่ลงไปเมื่อเวลายามแก่ชรา เกิดขึ้นมาผมเพ่าก็จะล่วงโรยจากผมสีดำก็จะกลายเป็นสีขาวเนื้อหนังก็จะเหี่ยวย่นลงไปและเมื่อตายไปก็จะขึ้นอืดไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูเสียเลยนี่แหละก็คือสภาพของร่างกายของมนุษย์เราทุกๆคนที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้และนี่ก็คือทรรมที่พระโสดาบันจะต้องเจริญคือจะต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง จนเห็นอยู่แจมแจ้งอยู่ทั้งในใจและนอกและนอกใจคือหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเมื่อเห็นสภาพของร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วการมราคะก็จะถูกทําลายไปปฏิฆะก็คือความหมุดหงิดใจคือความไม่พอใจในบุคคลต่างๆนั้นก็จะดับไปด้วยนี่ก็คือผลของที่ปฏิบัติที่พระสกิ ด, ดาคามี จะปฏิบัติไปสู่ขั้นพระอนาคามีคือพระสกิฎาคามีนี้จะเป็นขั้นระหว่างพระโสดาบันกับพระอนาคามีพระสกิฎาคามีนี้จะทำชําระกามราคะกับปฏิราคะให้เบาบางลงให้ลดน้อยลงไปแต่ยังไม่ทำลายให้หมดสิ้นไปถ้าทำลายหมดสิ้นไปได้ก็จะกลายเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้เป็นเป็นผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้ว สมมติว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุถึงขั้นพระอนาคามีแล้วเรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เกิดมีความเป็นไปที่จะต้องตายไปก่อนเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมชั้นสุทาวาสอยู่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันและจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในในชั้นสุทาวาส น, น, นั้นไปแต่ถ้ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่และปฏิบัติธรรมต่อไปก็ยังจะต้องทาลาย สังโยชน์เบื้องบนอีก5้ตัวด้วยกันได้แก่รูปราคะอรูปราคะอุทธจัจฉะมานะและก็อวิชชานี่เป็นสังโยชน์เบื้องบนซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดที่จะไม่นํามาขยายความในที่นี้เพราะยากแก่การเข้าใจของญาติโยมและยากแก่การแสดงของผู้แสดงด้วยแต่ก็เพียงอยากจะแสดงให้ทราบ ว, ว่า นี่ก็คือกิเลสที่พระอนาคามีจะต้องทําลายเพื่อที่จะบรรลุสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ถ้าสามารถทําลายกิเลสเหล่านี้ได้ให้หมดไปจากใจบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะต้องก็จะเป็นผู้ที่บรรลุถึงพระนิพพานจิตจะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่ในจิตใจไม่มีความอยากคือตัณหาทั้งหลายหลงเหลืออยู่ในจิตใจ เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะไม่เดินทางต่อไปคือใจจะไม่ไปเกิดเปรียบเหมือนกับรถยนต์เมื่อน้ำมันหมดถังแล้วก็ไม่มีเชื้อเพลิงที่จะขับให้รถยนต์นั้นวิ่งไปต่อไปได้รถยนต์ก็ต้องจอดอยู่กับที่ฉั้นใดใจก็เช่นกันเมื่อใจไม่มีเชื้อเพลิงแห่งภพแห่งชาติแล้วใจก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไป แต่การไม่ไปเกิดของใจนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเรื่องไม่น่ายินดีกลับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างนิ่งเพราะใจที่ไม่มีการไปไหนมาไหนแล้วนั่นะเป็นใจที่นิ่งเป็นใจที่สงบเป็นใจที่มีความสุขที่ประเสริฐดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสุขอันใดในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใดจะเสมอเท่าหรือประเสริฐเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ นิ่งของใจนั่นเองความสงบนิ่งของใจนี้ก็คือความสงบของใจที่บรรลุถึงพระนิพพานนั่นเองใจเมื่อถึงนิพพานแล้ว<ส>ก็เท่ากับว่าได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยแล้วเป็นบ้านที่แท้จริงของเราเป็นบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์พร้อมที่จะให้ความสุขกับเราพร้อมที่จะให้ความอิ่มเมอิบกับเราพร้อมที่จะให้ความพอกับเรา ไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวที่มีแฝงอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนี่แหละก็คือความประเสริฐของพระนิพพานที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่มีจิตศรัทธาได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนกระทั่งชำระใจของตนให้สะอาดหมดจดจนกลายเป็น พริพพานขึ้นมาในใจของท่านเหล่านั้นแหละนี่แหละก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สรุปลงในสามหัวข้อใหญ่ๆว่าให้ละการกระทําบาปทั้งปวงเสียให้กระทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม และให้ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดหมดปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนี่เป็นวิธีทางที่พุทธศาสนิกชนทุกๆคนจะพึงพุติปฏิบัติกันเพราะเป็นการนำมาซึ่งความสิริมงคลความสุขความเจริญที่แท้จริงถึงแม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติไปนั้นใจยังไม่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้แต่พบชาติที่จะ เกิดตามมานั้นจะย่อมเป็นแต่ย่อมมีแต่สุขติทั้งนั้นอย่างผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหัเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเช่นพระโสดาบันนั้นท่านจะมีพบชาติเหลืออยู่เพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าท่านยังไม่บราารลุพระอรหันต์ก่อนนั้นท่านก็ยังท่านก็จะต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติแต่พบชาติที่ท่านจะกลับมาเกิดนั้นจะเกิดอยู่แต่ในสุขติภพ คือจะเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมเท่านั้นท่านจะไม่ไปเกิดเป็นเลระฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกเพราะว่าท่านมีธรรมะของพระพุทธเจ้าคอยเหนี่ยวร่างไว้คอยปกป้องไม่ให้ไปเกิดในอบายทั้งสีนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่คืออานิสงส์ของผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า แล้วถ้าถ้าปฏิบัติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้บรรลุเป็นพระสกิดาคามีพบชาติในสุคติภพนี้ก็จะเหลือเพียงชาติเดียวถ้าไม่บรรลุพระอรหันในชาตินี้ตายไปก็จะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหรันถ้าถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามีถ้าตายไปยังก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหรันก็จะไม่กลับมาเกิดใน การมาพ ค, คือไม่เกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดเป็นพระพรหมอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแล้วถ้าได้ปฏิบตัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบนันนี้ก็เมื่อตายไปแล้วก็ใจก็จะไม่เกิดอีกต่อไปใจก็จะบรรลุพระนิพพานนี่แหละคือเรื่องราวของพุทธศาสนิกชน เรื่องของผลของการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสมกับที่เราอุตสาห์ที่เสียเวล่ำเวลาสละเงินสละทองสละทุกสิ่งทุกอย่างมาปฏิบัติก็เพื่อสิ่งที่ประเสริฐอันนี้ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งที่ประเสริฐไว้เป็นเครื่องตอบแทนในการปฏิบัติแล้วพระพุทธศาสนานี้ ย่อมไม่สามารถดำรงอยู่มาได้จนถึง